เจริสุขท่านสาวุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายต่อไปนี้จะได้บรรยายธรรมในหลักสูตรของนักธรรมชั้นตรีเพื่อให้เป็นประโยชน์กับ น, นกักเรียนนักศึกษาและท่านสาวุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายสืบต่อไปวันนี้จะได้บรรยายในหัวข้อว่าลักษณะการตัดสินธรรมวินัยแปดประการคือหมายความว่าการที่เราจะตัดสินว่าสิ่งนี้เป็นธรรมสิ่งนี้เป็นวินัยนั้นจะต้อง มีกฎมีเกณฑ์มีหลักไม่ใช่ว่าเรานึกเดาเอาเองการที่เรานึกเดาเอาเองว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้อันนี้นี่ยถือว่าไม่ใช่เป็นธรรมไม่ใช่เป็นวินัยนะไม่ถูกนะไม่ถูกต้องอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เชื่อไม่ได้นะเชื่อไม่ได้ฉะนั้นเรื่องการตัดสินว่าสิ่งนี้เป็นธรรมสิ่งนี้เป็นวินัยนั้นจะต้องมีกฎมีเกณฑ์นะตัดส<า>ินยังไงก็คือว่า มีการตัดสินว่าอทําเหล่าใดเป็นไปเพื่อความกําหนัดเป็นไปเพื่อความย้อม yeah. ใจ น, น, นี่เป็นข้อที่หนึ่งเป็นข้อที่หนึ่งถ้าเป็นไปเพื่อความประกอบกับทุกเอเป็นไปเพื่อความประกอบสะสมกองกิเลสเป็นไปเพื่อความอยากใหญ่เป็นไปเพื่อความไม่สันโดษยินดีด้วยของมีอยู่คือมีนี่แล้วก็อยากได้นั่นหรือว่าเป็นไปเพื่อความทุกข์ทีด้วยหมู่คณะ เป็นไปเพื่อความเกียดค้านเป็นไปเพื่อความเลี้ยงยากทำเหล่านั้นพึงรู้ว่าไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินยัยไม่ใช่คําสั่งสอนของพระศาสดานี่ขอให้ท่านได้ได้ทราบไปงั้นว่ า, ามันเป็นอย่างนั้นอืฉะนั้นจึงบอกว่าเราจะทําอะไรตัดสินไปเองไม่ได้นะทุกวันนี้เรามักจะตัดสินเอาเองเรามักจะเดาเอาเองเรามักจะนึกเอาเองนะการที่เราเดาการที่เรานึกเอานั้นมันไม่ถูกนะมันไม่ถูกมันไม่ต้องมันไม่ควร อมนะันไม่ควรเดังนั้นเราจะต้องมีเหตุมีผลนะใช้ดุลพินิษให้ท่องแท้เอาหลักธรรมหลักวินัยเข้ามาตัดสินว่าอาที่เราจะว่าเป็นธรรมไปนั้นอมันถูกต้องไหมนะหรือว่าอาสิ่งนั้นเป็นวินัยถูกต้องไหมนะแต่ทีนี้ท่านก็เลยวางกฎไปว่าถ้าทําเราใดเป็นไปเพื่อความกําหนังย้อมใจนะอันนั้นถือว่าไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินยัย ไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยนะคือมันจะเป็นยังไงก็สิ่งที่มันเป็นธรรมนั้นมันไม่ยุติธรรมนะมันก่อให้เกิดกิเลสก่อให้เกิดตัณหาก่อให้เกิดความทุกข์ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเป็นบอกเกิดแห่งความโลภเป็นบอกเกิดแห่งความโกรธเป็นบอกเกิดแห่งความหลงอย่างนี้ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยนะไม่ใช่คำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือหมายถึงว่า เป็นคําสั่งสอนเหมือนกันแต่ว่าเป็นฝ่ายอกุศลธรรมนะเป็นฝ่ายอกุศลธรรมเป็นฝ่ายไม่ดีนะอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเป็นธรรมนะไม่ยื่เป็นธรรมนิถากว่าคําเราใดเป็นไปเพื่อการประกอบความทุกข์นะอันนั้นก็ยังไม่เป็นธรรมนะคือมันยังเป็นความทุกข์ออคือหมายถึงว่ายังเป็นสิ่งที่ทําให้เราเดือดร้อนเกิดความขับแค้นใจนะอย่างนั้นยังไม่เป็นไปเพื่อเพื่อทําโดยถูกต้องนะเพื่อทําโดยถูกต้อง นะประการต่อมาก็คือว่าไม่เป็นไปทําเหล่าใดเป็นไปเพื่อการสะสมกองกิเลส น, นะอย่างนั้นก็ไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินยัยนะไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินยัยเช่นอย่างว่าหากว่าเราจะเป็นท่าสงกองเมนแต่ว่าเรากลับไปสะสมสิ่งต่างๆนะสะสมสิ่งต่างๆอเช่นว่าอาจจะสะสมของเก่าบ้างอาจจะสะสมสิ่งโน้นหรือเช่นว่า เลี้ยงนกหรือว่าเลี้ยงอะไรต่ออะไรทิ้งที่มันเลี้ยงสัตว์ต่างๆนี่อันนี้มันไม่เป็นไปเพื่อเพื่อความหมดกิเลสไม่เป็นไปเพื่อความบรรเทากิเลสแต่มันกลับไปเป็นไปเพื่อความสะสมกิเลสต่างๆฉะนั้นในทางพระธรรมในนายพระองค์ ก, ก็ไม่สนับสนุนว่าเป็นพระนี้จะต้องไม่สะสมนะต้องไม่สะสมการการที่เราสะสมนั้นก็จะเป็นเหตุเป็นภัยนะจะทําให้มีเวรให้มีไภัยได้นะกลับมีเวรกับมีภัยฉะนั้น เราจะต้องไม่สะสมสิ่งต่างๆก็จะทําให้เรานั้นไม่มีเวรไม่มีภยัยนเราจะเห็นว่าทางในพระ er, บางองค์ก็สะสมมากนะบางทีสะสมพระเครื่องได้ดีอันนี้ก็มีเยอะแล้วผลที่สุดเป็นไงถูกฆ่าตายนี่ถึงไม่ตายก็เรียกว่าค้างเหลืองบางทีก็ถูกทุบถูกตีถู ก, ถ ก, ถ ก, ถ ก, ưới, ถกแทงออันนี้เรามีเห็นอยู่บ่อยๆเห็น เห็นด้วยอาตมาก็เคยเห็นแล้วก็เคยได้ยินเคยได้ฟังอทางหนังสือพิมพ์บ้างทางสถานีวิทยุบ้างอันนี้ก็ประกาศที่เราทราบอยู่ด้วยนี่เพราะอะไรก็เพราะว่าเรามีของดีสะสมไว้มากอันนี้มันเป็นมันไม่ใช่เป็นวิสัยของพระนะไม่เป็นวิสัยของพระมันก็มีแต่ทุกเป็นเหตุนํามาซึ่งทุกซึ่งโทษนะหรือบางครั้งก็เปประเภทอ่าซื้อ ถูกขายแพงนะเกี่ยวกับเรื่องของเก่าหรือของต่างๆนานาอันนี้มันก็มีทุกมีโทษทางนั้นนะมีทุกมีโทษทางนั้นฉะนั้นจึงเป็นอัจฉริยะของพระพุทธองค์ที่ว่าไม่ให้เราสะสมอะไรก็คือว่าเมื่อเราไม่มีอะไรก็แน่นอนที่สุดมีแต่คุณงามความดีนะื่อมีแต่คุณงามความดีมันก็ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีใครมาลักเอาไปได้ไม่มีใครจะมาปล้นมาจี้มาค่าเพราะจะมาปล้นมาจี้มาค่าเอาอะไร แล้วมีแต่คุณงามความดีนี่ไอ้คนงามความดีนั่นแะมันก็อยู่แค่ที่ตัวเราอยู่ที่ใจเราโจรลักไปก็ไม่ได้ไฟไหม้ก็ไม่ได้น้ําพัดพาไปไม่ได้นี่มันอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ใจเรานะฉะนั้นถ้ากว่าเราทําอย่างนี้มันก็ไม่เป็นไปเพื่อความสะสมกองกิเลสนะฉะนั้นถ้าหากว่ามันเป็นไปเพื่อความสะสมกองกิเลสแน่นอนที่สุดจริงนั้นไม่ใช่ว่าเป็นธรรมเป็นวิใน ทำเหล่าในเป็นไปเพื่อความอยากใหญ่นเป็นไปเพื่อความอยากใหญ่ก็คือว่าเป็นไปเพื่อทําให้เกิดความทุกข์เกิดตัณหาเอเกิดตัณหาเกิดกรมตัณหาเกิดภาวะตัณหาเกิดวิภวะตัณหาเอสิ่งนั้นก็ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านั้นก็มีแต่ทุกข์มีแต่โทษมีแต่ความเดือดร้อนทําให้ควา ใจของเราเนี่ยดิ้นรนกวาดแกว่งอยากอยู่ตลอดเวลาอยากอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็จึงบอกว่ามันมันเป็นทางนำมาซึ่งความทุกข์เป็นเหตุที่จะทำให้เรานั้นติดรูปติดเสียงติดกลิ่นติดรสมากไปยิ่งยิ่งขึ้นคือคนเราน่ะเมื่อได้อะไรตามที่ตนปรารถนาแล้วก็แทนที่จะหยุดแค่นั้นก็ยังปรารถนาต่อไปอีกยังปรารถนาต่อไปอีกเช่นว่า อย่างกับที่ได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องโลกธรรมคนเงาทุกคนนั้นอยากได้ลาบนะแสวงหาลาบนะแสวงหายศอะแสวงหาศแสวงหาสุขแสวงหาสรรเสริญนี่แหละไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นไปเพื่อความอยากใหญ่ความอยากใหญ่ถ้าปีนี้เราไม่ได้เลื่อนยศแมมรู้สึกว่าไม่สบายใจแล้วก็ไปอิจฉาคนที่ได้ด้วยว่าได้เพราะอย่างนั้นได้เพราะอย่างนี้มีการประจบประแจง อะไรก็ไม่รู้ละนะอย่างนี้แหละมันเรียกว่ามันไม่เป็นธรรมนะไม่เป็นธรรมท่าตัวเองได้ขึ้นมาแล้วก็โอ้ยตั้งฉลองกันเป็นการใหญ่นะจะลองไปสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้เกิดกับชาวบ้านอีกมากนะแจกการ์ดแจกซ้องกันอ น, นี่แหละคนกลัวกันมากนะเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าคนเราเนี่ยไม่ไม่กลัวอาวุธสงครามนะพวกปืนผาหน้าไม้ไม่กลัวนะไม่กลัวทั้งนั้นนะจะเอาเม็ดเอาปืนเอาอะไรมาฆ่าปืนคนมาระเบิดมาไม่กลัวนะ เพราะรู้สึกว่ามันตายก็าตายไปเลยแต่มีอาวุธชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นอาวุธเย็นนะก็คือซองเบวกซองกระถินซองกระป๋านี่กลัวกันเหลือเกินนะอันนี้รู้สึกว่ามันไม่มันไม่ค่อยระเบิดนะแต่ว่าเราจําเป็นจะต้องเอาไปไว้นะรู้สึกมันก็กัดหัวใจทําให้เราในเกิดความกังวลกระวายใจแต่ท่นคนเราจึงกลัวซองจึงมีคนเขาบอกว่า ไปไหนถ้าหากว่าถ้าพกซองพระปากระถินไปแล้วก็เป็นการเดินทางที่ปลอดภยัยเวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจจะกักด่านนี่ก็พอเขาเรียกให้รถหยุดก็เอาซองพระป่ากระถินส่งมาให้สักสองสอ ง, สองแค่นั้นเละพวกในด่านพวกตำรวจต่งางๆนี่บอกมือให้ผ่านได้เลยโนะบกมือผ่านได้เลยกลัวซองนี่กลัวมากเรียกว่าเป็นใบเบิกทางอย่างดีว่าเถอะเป็นใบเบิกทางฉะนั้นนี่แหละทำเรนนี้เป็นไปเพื่อความอยากใหญ่นะเป็นไปเพื่อความอยากใหญ่ มีแต่ทุกข์มีแต่โทษไม่ดีนะไม่ดีในข้อต่อมาก็คือว่าทำเราใดเป็นไปเพื่อความไม่สันโดษนะไม่สันโดษยินดีด้วยของมีอยู่คือมีนี่แล้วก็อยากได้นั่นนะอันนี้ก็ไม่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นปิ น, นัยเป็นข่านี่บอกว่าต้องสันโดษอ่านะสันตุติปรมังทนงังว่าสันโดษนี่เป็นทัพอันตเปิดเผยนะแต่พวกเราไม่ค่อยสันโดษกันไม่ยินดีในสิ่งที่ตนมีอยู่กัน อต้นมีราภอย่างนี้แล้วก็ยังไม่พอใจได้ยศอย่างนี้แล้วก็ไม่พอใจอ่ามีสันเสิญอย่างนี้ก็ไม่พอใจอยากให้คนสันเสริญอีกคนที่นี่สันเสริญไม่พออยากจะให้คนที่อื่นสันเสริญอีกบ้างเพราะว่าต้องแสวงหาอยู่เลยกลัวว่าจะหมดคนสันเสริญไปกลัวจะหมดคนสันเสริญไปนี่แหละมันก็เลยเป็นทุกข์บางครั้งตอนได้สุขอย่างนี้นะได้สุขอย่างนี้ก็นั่นแหละรู้สึกว่าอยากจะให้มันสุขิ่ขึ้น บางที่คารวะเข า, าเห็นแล้วก็เห็นพระสงฆ์องค์เลนขอประทานโทษบางที่บางแห่งแล้วก็รู้สึกว่าตกอกตกใจว่าถึงขนาดนี้เชียวเนอะแมมเหมือนกับว่าทําตัวเองเป็นพระราชามหากษัตริย์เลยรู้สึกว่าทําที่อยู่ที่อาศัยรู้สึกว่ามันเกินความเป็นพระไปเนะีมันเป็นไปเพื่อกิเลสเพื่อตัณหาเพื่อความย่อมใจเพื่อเกิดอกองทุกข์เพื่อเกิด ก, กดารสะสมกิเลสเพื่อเกิดความอยากใหญ่ อรู้สึกว่าอย่างนี้มันก็มีแต่ทุกข์มีแต่ทุกมีแต่การติดชินนินทามีแต่การติดชินนินทาฉะนั้นเราจะต้องทําตัวเป็นไม่มีอะไรพระพุทองค์จึงได้บอกว่าพระเน่ยินดีในผ้าสามผืนนะมีผ้าสามผืนแล้วสมัยอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้ ไ, ไ, ดไม่ต้องมาแต่ว่าเรามีมากาะนั้นเราก็ไม่ต่างอะไรกับคารวะไม่ต่างอะไรกับคารวะไม่ไม่ไม่เป็นห่อเกิดแห่งศรัทธาภาษาทาตความเชื่อความเลื่อมใส แต่ก็นั่นแหละท่านผู้ฟังทั้งหลายเดี๋ยวนี้บางครั้งมันก็กลับกันไปพระที่ไม่มีอะไรเลยกลับคนไม่สนใจนะกับคนไม่สนใจพระที่สันโดษไม่มีอะไรกลับไม่สนใจนะไปเรีกว่าองค์นี้ไม่มีดีนะไม่มีดีอะไรเลยจึงไม่มีของอะไรนะแต่องค์ไหนที่ธรรมะสง ม, มีของอะไรมากกลับไปสนใจองค์นั้นออยากไปสมาคุญกัองค์นั้น อ่าดนั้นองค์นั้นก็เลยมีลาบดีใครๆก็อยากจะ็บาให้องค์นั้นองค์นี้เนี่ยเพราะท่านมีลาบนี้องค์ที่ไม่มีอะไรเลยไม่อยากไปนี่แหละบางครั้งมันก็กลับตละลปับกันเหมือนกันนะบางครั้งแต่ว่าคนที่มองเห็นคุณค่าของความเป็นพระเป็นธรรมระนั้นก็คือความไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่จะสะสมมีแต่คุณงามความดีมีแต่ความรู้มีแต่การปฏิบัติธรรมอยู่ในศีลอยู่ในธรรมจริญสมาธิเจรเดินสมถะจะเดินวิปัสสนานะอย่างนี้ก็เท่ากับว่า มีผ้าสามผืนแค่นั้นก็สบายแล้วมีเครื่องอัฐบริขาร น, นะแค่นี้สบายแล้วนะแต่ทุกวันนี้รู้สึกว่าเราฟุ่มเฟือยกันมากนะฟุ่มเฟือยกันมากอันนี้มีคนที่เขาเคยไปในประเทศพ ม, ม่าท่านบอกว่ายังสังฆราชพม่านี่ะจะไม่มีอะไรมากมายเหมือนกับของเรานะของเรานี่ขอประทานโทษนะ คือเรียกว่าเป็นธนาราชเหมือนกันนี่ที่จะห่างกันมากนะเรื่องตอนรับแขกก็ไม่มีอะไรนะมีห้องกว้างๆมีอาสนะนิดหน่อยมีกระถนมีเหยบน้ําแค่นั้นเองแต่พวงเรานี่สารพัดเลยสวยหรูเลยเหมือนยังกับเป็นห้องแสดงนทิทศการต่างๆนานาอันนี้แหละเป็นข้อเปรียบเทียบอย่างหนึ่งนะเป็นข้อเปรียบเทียบว่าใครอยู่ด้วยทำอยู่ด้วยวินยัยจิ่งอยู่เราอาจจะพูดบอกว่า ไอของที่มันมีนั้นเราไม่ได้เป็นหลงไปติดนะไม่ได้เป็นหลงไปติดแต่ว่าก็นั่นแหละคือจริงๆแล้วมันก็มันก็เป็นบ่อกเกิดนะทําให้คนอื่นนั้นเกิดความพอใจไปฝันได้นะฉะนั้นจะว่าเราไม่หลงไม่ติดก็บางครั้งเราก็เป็นคนทําให้มีขึ้นทําให้มันเกิดขึ้นเป็นคนสั่งให้มีขึ้นอนะ่มันก็จึงมีขึ้นได้เอนะ่ฉะนั้นตาม น, นโยบายของอ ง, องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจึงบอกว่าให้พระนั้นไม่มีอะไรเลย นะไม่มีอะไรให้มีแต่คุณงามความดีให้มีแต่พระธรรมให้มีแต่พระวินัยอยู่ในจิตในใจฉะนั้นเมื่อเรามีอย่างนี้แล้วก็เราก็สบายนะอยู่ที่ไหนก็ได้นะให้เรามีความสันโดษคาว่าสันโดษคือสันตุตินี่ถือว่ายินดีในของของตนนะตนมีอย่างไรก็พอใจอย่างนั้นนะอย่าไปแสวงหา จนให้เกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนเกิดความริ้นรนเกิดความกระวนกระวายถึงกับมีการอิจฉาเสียาการแก่งแย่งกันต่างๆนานาอันเป็นบอกเกิดแห่งการทะเลาะวิวาอันนี้มันก็ยิง่งเกิดความเสียหายยกใหญ่นะเกิดความเสียหายมากนะนั้นเราก็ต้องมีความสันโ ด, ดก็คือยินดีการสันโดกยินดีนั้นก็คือยินดีในของมีอยู่ตามที่ตนได้ตนมียินดีตามกําลังของตนนะ คือหมายถึงว่าคนเรานั้นมันมีกําลังอยู่สองอย่างคือกําลังกายกับกําลังใจนะหรือว่ากําลังสติปัญญาฉะนั้นในกําลังกายกําลังใจกําลังสติปัญญาของคนเราไม่เหมือนกันบางคนเรียนหนังสือเก่ง schön, บางคนเรียนไม่เก่งนะบางคนอบางคนนี่รู้สึกว่าสอบอะไรก็ได้ด้วยนะบางคนได้ยศได้ตําแหน่งอ่าเพราะความสามารถเพราะความเก่งกาจแต่บางคนนะนี่พยายามแล้วก็ไม่ได้นะอันนี้แสดงว่ากําลังสติปัญญาของเรานั้นสู้เขาไม่ได้เราก็พอใจตามของเรา อย่าไปน้อยเนื้อต่าใจว่าเราทําแล้วทำไมไม่ได้อย่างเขานะคนเรามันไม่เป็นไปเหมือนกันหมดหรอกนะไม่เป็นไปเหมือนกันหมดถ้าว่ามันเป็นไปเหมือนกันหมดแนะ่นอนที่สุดนะโลกนี้ก็จะสวยสดงดงามมากนะโดยมากมันไม่ค่อยเป็นไปอย่างนั้นเจะมากกว่านะฉะนั้นอันนี้แหละเราต้องรู้สึกว่าคนเรานั้นอมันมีกําลังไม่เท่ากันนะฉะนั้นเราก็ให้ยินดีตามสติกําลังปัญญาของเราทําได้ของเราคิดได้ของเรา มีอยู่เราก็ดีแล้วนะพอใจแล้วนะบางคนนี่อายุเท่ากันอาจจะแบกของหนักอย่างนี้ไม่ไดนะ้แต่บางคนอาจจะแบกได้น้อยกว่าบางคนอาจจะแบกได้มากกว่าเราก็ยินดีตามกําลังของตนนะบางคนก็เอาสามารถถึงกับไปแบกถึงก็เกิดการเคล็ดขัดย่อขึ้นมานะหรือเกิดการอุบัติเหตุทําให้ร่างกายวีกลวีการไปก็มีนี่เขาเรียกว่าเกินกําลังนะเรียกว่าเกินกําลังนะฉะนั้นมาในข้อต่อมาก็คือว่า เราจะต้องยินดีตามสมควรนะสมควรแก่ฐานะสมควรแก่กําลังสมควรแก่ตัวเราเพราะของที่เราได้มานั้นจะเป็นลาบยศอะไรก็แต่หรือว่าเครื่องเสื้อผ้าอ่ อ, อนท้อสสบาบางอย่างมันสมควรแก่เราแต่บางอย่างไม่สมควรมันอาจจะเล็กเกินไปใหญ่เกินไปยาวเกินไปสั้นเกินไปเนะี่ยมันไม่เหมาะสมกับเราเมื่อไม่เหมาะสมกับเราเราก็ไม่ยินดีส่วนนั้นก็สละไปให้ผู้อื่นนะ เราก็เอาแต่ของที่มันสมควรกับเราแต่ทุกวันนี้ไอ้ที่เรากินไม่ได้เราก็ไม่ให้คนอื่นกินเก็บไว้จนเสียไอ้ที่เราใช้ไม่ได้เราก็ไม่ยอมเฉลี่ยให้คนอื่นเราก็เก็บไว้จนผุจนเก่านี่เรียกว่าไม่ยินดีตามสมควรนะอันนี้ก็ถือว่าไม่ถูกทำไม่ถูกวินัยไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยนะนี่ฉะนั้นจึงบอกว่าเราจะต้องเอพิจารณาว่าทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความ ไม่สนโดดยินดีในขอามีอยู่อยากนี้อยากนั้นแล้วก็อย่างนี้มันก็เป็นทุกข์นะในข้อต่อมาที่บอกว่าทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความคุกคลีด้วยหมู่คณะนะอันนี้เ อ, นนอนนถือว่าไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินยัยเพราะอะไรเพราะว่าการที่เราคลุกคลได้หมู่นั้นแน่นอนที่สุดนนนะเป็นบ่อเกิดแห่งความฟุ้งซ่านําคาญใจนะเป็นเหตุนํามาซึ่งตัณหาความทยานอยาก เพราะการอยู่คลุกคลีด้วยหมู่นั้นก็มีแต่การอคุยแต่เรื่องที่เป็นอดีตคุยแต่เรื่องที่เป็นอนาคตนะ<ม>คุยแต่เรื่องที่จะย้อมใจให้เกิดกิเลสตัณหาคุยแต่ที่ทําจะย้อมใจให้เราเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงคุยแต่ในสิ่งที่ทําให้จิตใจนั้นลุ่มหลงแล้วก็ยิ่งไปกว่า น, นั้นก็ทําให้เออกระเราะเคหานะเออกระเราะเคหาอาจจะเป็นที่รําคาญของคนที่อยู่ใกล้ๆนะย่างนี้ใจของเรามันก็ ไม่สงบได้นะไม่สงบได้อาการคุกเคีกันนั้นก็แน่นอนที่สุดอเราก็แต่ละคนก็คุยแต่ละสิ่งละอย่างนั้นเป็นเรื่องย้อมใจกันทั้งนั้ น, นย้อมใจปรารบเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลนเรื่องรถกันอย่างนั้นๆๆตลอดไปลาฉะนั้นการอยู่คุกเพได้วยหมู่จึงไม่เป็นทางแห่งความสงบไม่เป็นทางแห่งความสงบฉะนั้นเราจะต้องหลีกออกจากหมู่นะประการต่อมาก็คือว่าทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความ เกียรติค้านนะอันนี้ก็ไม่ชีว่าเป็นธรรมในไหนความเกียรติค้านไม่ดีนะคนเราลองถ้าเกียดติค้านไปแล้วแน่นอนที่สุดคนงามความดีไม่เกิดขึ้นลาบยศไม่เกิดขึ้นนะเลี้ยงตัวไม่ได้นะเลี้ยงตัวไม่ได้ฉะนั้นเกียรติค้านไม่ได้คนถ้าเกียรติค้านแล้วก็เท่ากับว่าขุดหลุ้งฝังตัวเองนะขุดลุมฝังตัวเองเกิดมาก็กลายเป็นพวกเ อ, อคนเปล่าประโยชน์นะไม่ได้อะไรนะไม่มีอะไร ไม่มีคุณงามความดีติดตัวเพราะความเกียจคร้านนี้พระพุทธองค์บอกว่าเป็นความไหายานณะเป็นความเสื่อมอะจะเกียจคร้านนำกิจการงานต่างๆเกียจคร้านในการเรียนการศึกษาหรือว่าเเกียจคร้านในการทําหน้าที่ของตนทําให้บกพร่องอยู่ตลอดเวลาอะจะอ้างว่าเหนื่อยออกจะตายไปลําบากออกจะตายไปยังร้อนออกจะตายไปหนาวออกจะตายไป นะเลยไม่อยากจะทําอะไรเลยคนอย่างนี้แหละเป็นคนที่เปล่าประโยชน์เป็นคนที่ขุดลงฝฟังตัวเองเป็นคนที่สร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นกับสังคมประเทศชาตินะเกิดความสังคมประเทศชาติเกิดมาสับแต่ว่าเพียงหลมหายใจเข้าออกเท่านั้นไม่ได้กว่านะในข้อต่อมาที่บอกว่าทํเาเหล่าใดเป็นไปเพื่อความเลี้ยงยากนะเลี้ยงยากอันนี้ แน่นอนที่สุดเป็นพระนี่เลี้ยงยากไม่ได้นะพระพุทธองค์บอกว่าเป็นพระต้องเป็นคนเลี้ยงง่ายนะเพราะพระนี่ต้องอาศัยชาวบ้านของเขาดํารงชีวิตนะตตื่นเช้าก็ต้องบินตาบาดออกไปแล้วนะออกไปกลับมาอนะก็เอาเก็บไว้ตอนเพนอีกนะบางองค์ก็ชั้นมือเดียวบางองค์ก็สองมือนะสองมือทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่ไม่ทําอย่างนี้แน่นอนที่สุดเราก็จะเป็นผู้ที่เลี้ยงยากฉะนั้นพระพุทธองค์จึงให้พระ คนที่จะบวชพระสงฆ์องค์เลนเป็นพระเป็นเนเนี่ยคือฉันอาหารเพียงสองมือ้อนะถ้าไปถ้าหากว่าเราไปฉันสามมือ้อเราก็ไม่ต่างกับคาระวะมันก็ความมันก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์นะไม่เป็นไปเพื่อความหมดทุกข์หมดกิเลสหมดตันหานะเพราะว่าเราก็กินอยู่ก็เหมือนกับคาระวานะนะดังนั้นให้เรากินเพียงสองมือ้อดีและสบายเราจะใช้เวลานี้บําเพรร็ญรำนะศึกษาเล่าเรียนปฏิบัตรริทำเพื่อมรรคเพื่อผลเพื่อนิพานเอ น, นี่ เมื่อเราแตกต่างไปกับฆร า, าวาสในทางที่ดีฆร า, าวาสเขาก็เกิดา ก, การเคารพเกิดศรัทธาเกิดความเล่อมใสก็ให้ความอุปธรรมบารุงตามฐานะตามโอกาสนี่ฉะนั้นถ้าหากว่าทั้งแปดข้อนี้ขอให้รู้ว่าไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยไม่ใช่คําสั่งสอนของพระศาสดานะที่ว่าทําเราไดเป็นไปเพื่อความกําหนัดย้อมใจนะทําเหล่านั้นไม่ใช่ทําไม่ใช่วินัยไม่ใช่คําสั่งสอนของพระศาสดานะทําเราได้เป็นไปเพื่อความประกอบทุก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 เป็นไปเพื่อความไม่สันโดษยินดีด้วยของมีอยู่เธอมีนี่แล้วก็อยากได้นั่นได้นี่ต่อไปอีกทําเหล่านั้นไม่ใช่ทำสิ่งนั้นไม่ใช่ทำไม่ใช่วินัยไม่ใช่คําสั่งสอนของพระศาสดาทําเราใดเป็นไปเพื่อความพุกพลีด้วยหมู่คณะอันทําให้เกิดความเอร์กระเลอเคห์าเกิดความไม่สงบกายไม่สงบใจทําเหล่านั้นไม่ใช่การทาไม่ใช่บีนัยไม่ใช่คําสั่งสอนของพระศาสดาทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความเกียดค้านทําเหล่านั้น ไม่ใช่ทําไม่ใช่วินัยไม่ใช่คําสั่งสอนของพระศาสดาทำเราใดเป็นไปเพื่อความเลี้ยงยากนะเลี้ยงยากนะอันนี้ทําให้ถ้าหากว่าเราเลี hygiene, ้ยงยากก็คือว่าอยากได้นั่นอยากได้นี่ทะเยอทยานอยู่เรื่อยก็จะทําให้ชาวบ้านเขานั้นเห็นว่าเรานี้ไม่ต่างอะไรกันอย่างนั้นไม่ใช่ทําไม่ใช่วินัยไม่ใช่คําสังสอนของพระศาสดาทีนี้เราจะตัดสินว่า สิ่งที่เป็นธรรมสิ่งที่เป็นวินัยและเป็นคำสั่งสอนของพระาศาสดานั้นคืออย่างไรอันนี้ก็คือตรงกันข้ามนะตรงกันข้ามก็คือว่าทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความคลายกําหนัดนะเป็นไปเพื่อความคลายกําหนัดนั่นเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นคําสั่งสอนของพระาศาสดานะคือหมายความว่าให้เรา ประพุติธรรมปฏิบัติธรรมเป็นไปเพื่อจะคลายกิเลสตัณหาให้เบาบางลงไปนะให้เบาบางลงไปเช่น ว, ว่าให้เรานั้นก็ศึกษาเล่าเรียนนะศึกษาเล่าเรียนในด้านประหยัปฏิบัติตริเวทให้พิจารณาสังขารคือร่างกายให้เห็นเป็นอริจังทุกคำนั้นนาตาอ่ามันก็จะคลายจากความกำหนัดได้คลายจากความกำหนัดได้อะเวราโคเสถโท ธ, ธรร ม, มานังนะวิราค่าถือว่าเป็นยอดแห่งธรรมทั้งหลายนะเพราะฉะนั้น เมื่อเราพิจารณาสังขารโดยความเป็นอริจังทุกขังอนัตตาก็จะทําให้เราเกิดเบื่อหน่ายในสังขารคือขันธ์ห้าว่ามันมีแต่ทุกข์มีแต่โทษนั่นก็พระพุทธองค์ยิงบอกว่าทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปอเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้ก็จะทําให้เรานั้นเกิดความเบื่อหน่ายในสังขารเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายในสังขารมันก็ย่อมสิ้นความกําหนัดใน ในโรคปในเสียงในกลิ่นในรถในการสัมผัสถูกต้องเอกับอารมณ์ต่างๆที่มากระทบเราทางตาหูเล่นจมูกไกาใจนะอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอุบายหรือว่าเป็นเหตุที่จะให้คำคลายกําหนัดอย่างนี้แหละชื่อว่าเป็นคำเป็นวิในและเป็นคําสัง่งสอนของพระศ า, าสดาทำเราใดเป็นไปเพื่อความปราศจากทุก์นะทําแล้วไม่ให้เกิดทุกข์ไม่เกิดโทษนะเรียกว่าทําไปแล้วไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงนะไม่มีความเดือดร้อนนะ แน่นอนที่สุดนั่นแหละเป็นธรรมเ ป, เป็นวินัยอจริงนั้นเป็นธรรมเป็นวินัยและเป็นคําสั่งสอนของพระศาสดาทั้งเราใดเป็นไปเพื่อความไม่สะสมกองกิเลสนะไม่สะสมกองกิเลสเช่นว่าสะสมกองเกาสะสมอะไรก็แล้วแต่เราเราไม่ทําอย่างนั้นก็คือเป็นคนอประพฤติตนทําตัวเองนั้นให้เบาบางจากกิเลสตัณหานะในกิเลสกรรมวัตถุกรรมนะ ก็คือไม่เป็นไปเพื่อโล ก, โ ล, กลดลงนะเรียกว่าทําลายตัวราคะโทสะโมหิเบาบางไปนะหรือว่ามีความสํารวมระวังจากาโรูปเสียงกลิ่นรถเมื่อตาเห็นรูปผูกังเสียงจมูกกลมกลิ่นลิ้นลิ้มรถกายถูกต้องสัมผัสใจ น, นึกคิดในรมต่างๆเราก็คอยระแวดระวังนะเราก็มีความระวังถ้าเราสำรวมระวังอย่างนี้แน่นอนที่สุดมันก็ไม่เป็นไปเพื่อการสะสมกองขี้เละ นะอย่างนี้มันก็เป็นธรรมเป็นวินัยและเป็นคำสั่งสอนของพระศาสดาทำเราใดเป็นไปเพื่อความ อ, อยากน้อยนะ <c oughs> คือไม่อยากใหญ่นะไม่เรียกว่าไม่เป็นไปเพื่อความไม่มีตัณหาว่างั้นเถอะไม่มีตัณหาไม่มีความอยากในคารไม่มีความอยากเป็นนู่นเป็นนี่ไม่มีความอยากไม่เป็นนู่นเป็นนี่มีแต่ความ มีแต่ความมักน้อยนะความมักน้อยอย่างนี้ก็จะได้ชื่อว่าเป็นธรรมเป็นวินัยและเป็นคำสั่งสอนของพระศาสดาทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความสันโดษยินดีด้วยของมีอยู่นะด้วยของมีอยู่ยินดีทมยินดีในของของตนยินงดีทามมียินดีทำได้ยินดีทำสมควรแก่ตนนะรมเหล่านั้นเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นคำสั่งสอนของพระศาสดาทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความสงัดจากหมู่คณะ ก็คือเหล็กออกจากโมเ่เรียกว่ากายวิเวกเมื่อกายวิเวกแล้วก็เป็นบ่อกเกิดแห่งจิตวิเวกเมื่อจิตวิเวกแล้วก็เป็นบ่อกเกิดแห่งอุปทิวิเวกก็คือสั่งจากกิเลสสัดงกายก็สงัดจิตแล้วก็มาสงัดจากกิเลสทำเหล่านั้นเป็นธรรมเป็นวินยัยเป็นคําสั่งสอนของพระศาสดาทำเราใดเป็นไปเพื่อความเพียรเป็นไปเพื่อความเพียรเพื่อความขยันเพื่อความ เ, า เ, ามเกลา้าเพื่อความอุ่นอาดเรียกว่าเพียรละอเพียร ระวังอย่าให้บาปเกิดขึ้นในใจิตใจเพียรละบาปที่เกิดขึ้นละกิเลสที่เกิดขึ้นในจิตใจให้หมดไปแล้วก็เพียรสร้างกุศลให้เกิดขึ้นในใจิตใจเพียรรักษาสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นในใจิตใจทำเหล่านั้นเป็นธรรมเป็นวินยัยและเป็นคําสั่งสอนของพระศาสดาทั้งเราใดเป็นไปเพื่อความเป็นผู้เลี้ยงง่ายนะเลียงง่ายไม่ใช่เลี้ยงยากนะตนได้อย่างไรก็พอใจอย่างนั้นเป็นคนสันโดษนะมักน้อยสันโดษนะไม่เป็นไปเพื่อความสะสมไม่เป็นไปเพื่อความอยากใหญ่ อไม่เป็นไปเพื่อความทุรนทุรายแน่นอนที่สุดทำเหล่านั้นถือว่าเป็นธรรมเป็นวินัยและเป็นคําสั่งสอนของพระศาสดาฉะนั้นทั้งหมดนี้ก็ชื่อว่าเป็นลักษณะการตัดสินว่าสิ่งใดเป็นธรรมสิ่งใดเป็นวินัยนะทั้งแปดประการนี้ท่านบัญญัติไว้ก็เพื่อประโยชน์สองประการคือหนึ่งเพื่อเห็นว่าเป็นธรรมเป็นวินัยซึ่งเป็นคําสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีลักษณะเช่นนี้หามีลักษณะอย่างอื่นนอกจากนี้ไม ถ้าจะมีการโต้แย้งเกิดขึ้นในเรื่องพระธรรมวินยัยไม่ตกลงกันได้เช่นผู้หนึ่งเห็นว่าสิ่งนี้เป็นธรรมเป็นวินยัยสิ่งนี้เป็นคำลังสอนของพระศาสด า, ศ า, ศาอีกผู้หนึ่งก็เห็นว่าไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินยัยไม่ใช่คำสังสอนของพระศาสดาก า, ารตัดสินความแก่งแย่งกันด้วยลักษณะแปลกประหารนี้จับเป็นเครื่องชี้ขาดอย่างดีที่สุดนะจะได้ทราบว่าผู้ใดมีความเห็นผิดผู้ใดมีความเห็นถูกรายการที่สอง เพื่อแสดงให้เห็นว่าพระธรรมวินัยเป็นคําสั่งสอนของสมเด็จพระศ า, าสดาของสมเด็จพระบรมรศาสดาที่พระองค์ทรงสแสดงบัญญัติสั่งสอนตลอดพุทธกาลของพระองค์นั้นมีลักษณะเช่นนี้รวบรวมลงอย่างเดียวกันคือทรงบัญญัติคําสั่งสอนเพื่อละอาสวัตกิเลสให้บรรลุถึงความบริสุทธิ์เป็นที่ตั้งสองประการเหล่านี้แหละเป็นความมุ่งหมายในการที่ทรงบัญญัติสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินัยแปดประการฉะนั้น การได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องลักษณะการตัดสินธรรมวินัยแปดประการก็พอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีขอเจริญพรวันนี้จะได้บรรยายในหัวข้อว่ามัดมีองค์แปดมัดมีองค์แปดคำว่ามัดมีองค์แปดคำว่ามัดก็ได้แก่หนทางนะเรียกว่า ทางประกอบด้วยองค์แปดนะก็มีหนึ่งสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบนะปัญญาเห็นชอบสองสัมมาสังกัปปะดำริชอบนะสามสัมมาวาจาเจรจาชอบสสัมมากัมมันตะทำการงานชอบห้าสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบหกสัมมาวายามะเพียรชอบ 7. ็ดสัมมาสติระลึกชอบแปดสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบในองค์เห่งมัตทั้งแปดนั้นเห็นชอบดังริชอบสงเคราะห์เข้าในปัญญาศิกขาวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบสงเคราะห์เข้าในศีลศิกขาเทียนชอบระลึกชอบตั้งใจไวชอบสงเคราะห์เข้าในจิตตสิกขา คำว่ามัสมีองแปดนั้นหมายความว่าทางมีองแปดเป็นวิถีที่จะให้บรรลุดำเนินไปสู่ที่สุดแห่งทุกข์ซึ่งเป็นที่ที่สาธุชนปรารถนายิ่งนักโดยเหตุนี้ทำแปดประการเหล่านี้จึงมีนามว่ามัสมีองแปดนะมัสมีองแปดมัสมีองแปดนั้นแต่ละอย่างก็มีรายละเอียด อดังจะได้อกล่าวตอบไปนะอย่างในข้อแรกที่บอกว่าสัมมาทิฏฐินะคือเห็นชอบเอคําว่าเห็นชอบนั้นก็คือว่าเห็นอริยสัจสี่นเห็นอริยสัจสีอ่อในข้อที่ว่าสัมมาทิฏฐิคือปัญญาอันชอบคือคือเห็นอริยสัจสี่ได้แก่ปีชายอย่างรู้ว่านี้เป็นทุกข์นี้คือ เหตุให้ทุกเกิดคือสมุ ท, มทัยอ่านี้คือความดับทุกอ่าคือความดับทุกนี่คือตัวนิโรธนี่คือหอนทางให้ถึงความดับทุกคือทุกข์นิโรธคามินีปฏิปทาและปีชาอย่างรู้ว่าทุกเป็นธรรมชาติที่ควรกําหนดรู้ทุกสมุทัยเป็นสภาพที่ควรละทุกข์นิโรธา ทุกขนิโรธเป็นธรรมชาติที่ควรทำให้แจ้งทุกขานิโรธาคามิมีปฏิปทาเป็นธรรมที่ควรทำให้เกิดเรารู้อย่างนี้เนะี่ยเรียกว่ารู้อริยสัจสี่คือความรู้ความจริงอันกระเสริฐนะท่านผู้ฟังนักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องอริยรรสัจสี่นี่ถือว่าเป็นธรรมที่สุขุมลุ่มลึกมากนะสุขุมลุ่มลึกมากนะ ซึ่งบางทีเราก็อาจจะพูดให้ฟังเข้าใจไม่ได้นะเพราะว่าสิ่งนี้เพราะว่าเป็นธรรมชั้นสูงนะเป็นธรรมชั้นสูงแต่ที่พูดวันนี้ก็เพื่อเป็นแนวทางนะคือที่เรารู้ทุกอทุกนั้นก็แบ่งออกเป็นสองอย่างนะทุกนั้นก็แบ่งออกเป็นสองอย่างก็คือสภาวะทุกข์กับปกินะกะทุกขนะ์สภาวะทุกข์ก็ได้แก่ความเกิดก็เป็นทุกขนะ์ความแก่ก็เป็นทุกข์นะ ความตายก็เป็นทุกข์ออย่างนี้เรียกว่าสภาวะทุกข์สภาวะทุกข์นี้ป้องกันไม่ได้นะเราจะป้องกันไม่ให้เกิดไม่แก่ไม่เจ็บให้ตายนีไม่ได้แต่พระพุทธองค์บอกว่าให้เรารู้นะให้เรารู้ด้วยสติปัญญาว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วต้องแก่เมื่อเราแก่มาแล้วต้องเจ็บเมื่อเจ็บแล้วต้องตายก็รีบขวนขวายสร้างคุณงามความดีนะสร้างคุณงามความดี อย่าไปหลงมั่นยึดมั่นกับไอ้ความแก่ความเจ็บความตายมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมดาของสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมาในทุกข้อที่สองเรียกว่าฟากินนกัทุกคือทุกเล็กๆน้อยๆหรืออาจจะเรียกว่าอาคันตุกาทุกทุกที่จอมาหรืออาจจะเรียกว่าทุกขจรก็ได้นะ ทุกอย่างนี้ก็ได้แก่โศกะความเศร้าโศกปริเทวะความราไรทุกขะความไม่สบายกายไม่สบายใจโทมนัสความเสียใจอุปาญาติความแห่งแรงตรอมใจแล้วก็อปิเยหิสัมเปโยโคทุกโขประสบกับสิ่งที่ไม่น่ารักก็เป็นทุกข์ใจปิเยหิวิเปโยโคทุกโขพลัดภาคจากสิ่งที่ ที่รักก็ทุกข์ใจยำปิดชันนารติตัมติทุกขังไม่ได้สิ่งที่ตนปรารถนาก็มีความทุกข์ใจนะสังขิตเตนะฟัญจุปาทานขันธาทุกขาสรุปโดยย่นย่อแล้วก็ทุกในขันท่านะทุกในรูปทุกในเวทนาทุกในสัญญาทุกในสังขารทุกในวิญญาณนี่ฉะนั้นเราต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันท่านะไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันท่าไม่เกิด ปัญหาอุปาทานขึ้นแน่นอนที่สุดเราก็จะละจากทุกนี้ได้นนี่เป็นทุกเรียกว่าทุกฤยาสัตวทีนี้เราก็รู้ตัวสมุทยัยตัวสมุทัยก็คือเรียกว่าทุกขสมุทัยก็เหตุให้เกิดทุกเหตุให้เกิดทุกก็ได้แก่ตัวตันหานะตัวตันหาการมาตันหาความอยากในกรรมอยากในกรรมอยากในรูปอยากในเสียงอยากในกลิ่นอยากในรสอยากในการสัมผัส หรือข้อที่สองก็คือภาะวะตันหา อ, อยากมีอยากเป็นอยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่เราพอใจอยู่อย่างไรก็อยากจะอยู่อย่างนั้นไม่อยากสิ่งนั้นต้องจากเราไปอย่างนี้ก็ถือว่าติดอยู่ในภพในชาติใน อ, อยู่ในที่ดีในบ้านดีกินดีก็ไม่อยากจะจากบ้านนั้นไปก็อยากจะอยู่มานอย่างนั้นตลอดไปนี่เรียกว่าติดภพติดชาติหรือ วิภาวะตัณหาความไม่อยากเป็นโน่นเป็นนี่นะหรืออยากไม่เป็นโน่นไม่เป็นนี่ครอทีแรกเราก็อยากมีอยากเป็นพออยากมีอยากเป็นพรอมันอยู่กับเราก็เกิดความเบื่อหน่ายนะเแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายแต่คำว่าเบื่อหน่ายนี้ไม่หมายไม่ได้หมายความว่าเบื่อหน่ายแบบเกิดจากนิติทายานคือมันเบื่อเบื่ออยากอยากอันนี้แหละมันก็เป็นวิภวะตัณหานะ เรามีปรรยาคนนี้แล้วก็ทีแรกเราอยากมีแต่พอมีลแล้วก็เกิดเบื่อหน่ายอยากจะไปมีคนอื่นต่อไปนี่แหละเป็นวิภวตัณหาอเรามีอได้ลูกแย่อริยากทีแรกเราอยากมีลูกนะพอมีลูกแล้วเกิดเบื่อหน่ายลูกว่าน้องสอนยากไม่อยากจะมีเอนี่แหละเป็นวิภวตัณหาอไม่อยากจะมีกับคนนี้แต่ก็อยากไปมีกับคนอื่นอีกนี่แหละอยา่างนี้มันเป็นวิภวตัณหานอยากยเรื่อยๆนะมอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุด นี่แหละเป็นทุกขสมุทัยกันเหตุให้เกิดทุกข์แล้วในข้อที่สามที่บอกว่าทุกข์นิโรธก็คือว่าความดับทุกข์นะความดับทุกข์ก็คือดับตัณหาโดยสิ้นเชิงโดยไม่เหลือนะแล้วก็ในข้อที่สี่ก็คืออทุกข์นิโรธคามินีปฏิปทาก็คือว่าอาปฏิบัติในขนทางให้ถึงความดับทุกข์ก็ได้แก่มักมีองค์แปดนะมักมีองค์แปดนะก็คือ ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่แหละเรียกว่าเป็นหนทางให้ถึงความดับทุกข์นะนี่ก็พวกเพียงย่อๆนะพูดเพียงย่อๆมาในข้อที่สองเรียกว่าสัมมาสังกัปปะก็คือดัมมิชอบคำว่าดัมมิชอบก็คือดัมมิออกจากกามนาดัมมิออกจากกาม นะดัมเรอออกจากกามก็คือว่าดัริเป็นไปเพื่อทําใจไม่ให้รู้อํานาจแห่งกิเลสกามนะกิเลสกามคืออะไรก็คือพวกราคาะความกําหนัดโทสะความคิดประทุสร้ายโมหะความลุ่มหลงไม่รู้จริงหรืออรติความไม่ยินดีปฏิฆะความกระทบ ก, กระทั่งแห่งใจ อ, อิ ส, สาความลิษยาอาสันตุทีความไม่สันโดษนี่เหล่านี้เป็นต้นเรียกว่าเป็นกิเลสกามเราจะต้องดํมริต้องป้องกัน ต้องมีความเพียรประหารละกิเลสพวกนี้นะอเพียรระวังอย่าให้บาปเกิดขึ้นอย่าให้ความโลภความโกรธความหลงความอิจฉายามันเกิดขึ้นในจิตใจนะเพียรระวังอย่าให้อบาปเพียรระวังละบาปที่มันเกิดขึ้นแล้วละความชั่วที่มันเกิดขึ้นแล้วละความโลภความโกรธความหลงหรือพวกอิจฉาสิญญานี้ที่มีอยู่แล้วก็ให้มันหมดออกไปให้เบาบางออกไปนะอย่างนี้เรียกว่าเรากนละกิเลสกลาง และก็ไม่ติดอยู่ในวัตถุกรรมนะในวัตถุกรมวัตถุกรมก็คื อ, อความไข่ในวัตถุโรคเสียงเป็นรถเป็นต้นนะโรคเสียงกินรถเป็นต้นเป็นไข่ในรูปก็คือโรคติดรูปนะสิ่งใดที่มีรูปที่เห็นได้เบตาจับต้องได้ด้วยมือก็รู้สึกเห็นแล้วก็เกิดความพอใจอยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้เสื้อผ้าอาภรณ์อยากได้เครื่องประดับคือมันเกิดทําให้จิตใจขวั้งสัน้นเป็นเป็นไปเพื่อความอยากใหญ่เป็นไปเพื่อความมากมากนะอันนี้แหละมันก็ ทำให้เกิดเป็นทุกข์เป็นโทษนะเกิดเป็นทุกข์เป็นโทษนะฉะนั้นโยกตัวอย่างเช่นว่ากิเลสเป็นเหตุใคร่จะมีโลภะเป็นต้นนะเกิดขึ้นในใจก็คิดอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ต่างๆอันไม่ชอบทำแล้วก็มีใจคล่องอยู่ในคามกุลห้าคือรูปสิ้นเนนป็นรถปฎิภะอันเป็นที่ปรารถนารับใคร่ชอบใจแต่ในขณะเดียวกันนั่นแหละความคิดอีกจิต ด, ดวงหนึ่งก็เกิดขึ้นให้รู้สึกเบื่อหน่ายนะไอ้สิ่งที่เรามีแล้วมันก็เกิดขึ้นทําให้รู้สึกเบื่อหน่าย นะแล้วก็อจะดําริพลากเสียจากกรรมเหล่านั้นอนะเช่นนี้เราเรียกว่าดําริออกจากกรรมนะดําริออกจากกรรมคําว่าดําริอันในความไม่พยาบาทนะหนึ่งดําริในออกจากกรารมสองดําริในความไม่พยาบาทก็คือดําริเป็นไปเพื่อความเมตตาอนะปรารถนาดีกับผู้อื่นปรารถนาดีกับเพื่อนของเราปรารถนาดีกับเพื่อนของเขานี่คือข้อนี้เป็นสิ่งสําคัญ เพราะคนเราโดยมากก็คิดแต่ที่จะเอารัดเอาเปรียบกันคิดจะเอารัดเอาเปรียบกันมีการอิจฉาเสียกันระหรัตประหารกันฉะนั้นเราต้องพากาาพรากจากความพยาบาทนี่เราก็จะมีแต่ความเมตตามีแต่ความอบเอื้ออารีเกื้อกูลตราทานาดีต่อกันเมื่อเรามีเมตตาอย่างนี้แน่นอนที่สุดคําว่าเมตตานี้จริงว่ามีอานิสงฆ์มากนะเป็นความรักสนิทสนมกลมเกลียวปราจจากิเลสตัณหาเป็นความรักที่เกิดจากความ บริสุทธิ์ผุดพองนะไม่มีราคะโทสะโมหะเครื่องแคลงอยู่นะอย่างนี้แหละถือว่ามีเมตตาฉะนั้นคนที่มีเมตตานี้พระพุทธองค์จึงบอกว่าโนโ ก, กปะธรรมิการเมตตาเมตตาเป็นธรรมคำจุนโลกถ้าโลกนี้ขาดเมตตาโลกก็ซุดโลกก็ปินาดโลกนี้ก็ลุกเป็นไฟฉะนั้นเราทุกคนจงมามีเมตตาต่อกันผู้ใหญ่พูดกับผู้น้อยก็พูดโดยเมตตาผู้น้อยพูดกับผู้ใหญ่ ก, ยยก็พูดโดยความเคารพ ปัญหาก็จะไม่เกิดขึ้นนะนะก็มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุข เ, เรียกว่าไม่ฟันร้ายนะไม่ฟันร้ายพวกพวกมนุษย์เทวดาก็าชมพรมกอดสรรเสริญนะแล้วก็พวกยาพิษพวกสาาตัตตาต่างๆก็ทําอันตรายไม่ได้อนะืยิ่งไปกว่านั้นคนที่มีเมตตานีจะทำสมาธิกอจิตใจสงบได้เร็วนะมีดวงหน้าอามีดวงหน้าผ่องใสมีความเอื้ออิ่มใจนะ ยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าเมื่อเวลาใกล้จะตายก็หม่ถึงรุนตุร้ายเมื่อตายไปแล้วก็เข่าถึงพรหมโลกนี่เป็นอนิสงค์ของการแผ่เมตต า, าจากนั้นการมีเมตตาต่อกันนี้จึงเป็นธรรมเครื่องค้าจนโลกที่มาในข้อที่สามที่บอกว่าดําริในการไม่เบียดเบียนการเบียดเบียนกันก็คือเป็นการทําให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นการข่มเหงรังแกจิตใจกันจะเป็นร่างกายแล้วจิตใจก็แล้วแต่อันนี้มันเป็นความทุกข์ทางนั้นนะมันเป็นโทษทางนั้น ฉะนั้นเราจะต้องไม่มีการเบียดเบียนกันการเบียดเบียนกันนั้นนำมาซึ่งศัตรูนำมาซึ่งเวรซึ่งภัยน่ะนำมาซึ่งศัตรูนำมาซึ่งเวรซึ่งภัยฉะนั้นเราจะทำอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีความกรุณาในผู้อื่นนะมีความกรุณาในผู้อื่นจะทำอะไรก็เนื่องด้วยผู้อื่นเป็นต้นว่าจะใช้คนหรือสัตว์มีต้องมีความปราณีประนอมนะคิดถึงความยากความลำบากของเขานอะไม่ใช่นึกจะจะใช้ก็ใช้ไม่ใช่อย่างนั้นน่ะ อันนี้บางครั้งเนี่ยการที่เราใช้คนโดยที่ไม่รู้จักการละเทสาหรือว่าใช้ไม่ถูกบุคคลมันก็ทําให้เกิดทุกข์เกิดโทษได้เป็นเหตุนำมาซึ่งเวรซึ่งภัยได้นะีฉะนั้นถ้าเราทําอะไรเอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างเอาใจอะไรไปใส่ใจเขาบ้างแน่นอนที่สุดเราก็อจะอยู่กันอย่างร่มเย็ยนเป็นสุขเป็นการไม่เบียดเบียนกันไม่มีการประหัรประหารกันไม่นํามาซึ่งการทะเลาะวิวาดกันอย่างนี้เละชี้ว่าดําริในอันไม่เบียดเบียนนะมาในข้อที่สอง ทีนี้ก็มาในข้อที่สามสัมมาวจาจาก็คือเจรจาชอบคําว่าเจรจาชอบก็คือเว้นจากวาจีทุจริตสี่อย่างก็คือเว้นจากการพูดคําเท็จเว้นจากการพูดสอเสียดเว้นจากการพูดคำหยาบเว้นจากการพูดเพลเจอร์นะเว้นจากการพูดเพลเจอร์ถ้าหากว่าเราเว้นอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าเรานั้นมีสัมมาวาจานะมีสัมมาวาจาอ่านะก็คือ พูดง่ายๆก็คือพูดดีนั่นเองนะพูดดีนั่นเององโบราณจึงบอกว่าพูดดีเป็นสีแก่ตัวพูดชั่วก็พาตัวอัปปราชัย เ, เป็นมนุษย์สุดนิยมที่ลมปากจะได้ยากหอยหิวเพราะชิวหาแม้พูดดีมีคนก็เมตตาจะพูดจาตงวิเคราะห์ให้เหมาะความนี่อันหอ่อยตาหวานลิ้นล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายอาอันหวานเออหวานเอิ น, น, อนมือนแสนโบแกนคายหวานจนตายเพราะคาเน็บให้เจ็บใจนี่ฉะนั้นอันนี้ก็แสดงว่าเรื่องปากนี้จึงเป็นสิ่งสําคัญฉะนั้น ให้เราทุกคนจะบอกว่าใช้ปากให้เป็นกินให้เป็นพูดให้เป็นแล้วก็ไม่เป็นทุกข์ถ้ากินไม่เป็นพูดไม่เป็นแล้วก็เป็นทุกข์เวรเวียนเป็นภัยเป็นเวนเป็นภัยเขาเรียกว่าพูดดีก็เป็นสีแก่ปากพูดมากปากก็มีสีมีสีได้เหมือนกันอย่างนี้เรียกว่าสัมมาวาจาก็คือว่าเจรจาชอบก็คือต้องไม่เว้นคาพูดเท็จเว้นคาพูดจ่อเสียดเว้นคาพูด คำอยากเว้นพูดเฟิรเจอรนะ์จึงได้จัดเป็นสัมมาวจามาในข้อที่สี่ก็คือสัมมากรรมมันตะนะสัมมากรรมมันต์ตสัมมากรรมมันตะก็คือการงานชอบคือเว้นการงานทางกายทุจริตสามอย่างเช่นเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผปในการมคาว่าเว้นจากการฆ่าสัตว์นี่นะคาว่าฆ่าสัตว์นี่มันกินความหมายกว้างนะ หนึ่งฆ่าให้ตัวตายด้วยนะสองฆ่าแบบทรมานะแบบทรมานแบบกักขังหรือทําให้ร่างกายวิกฤวิกาอันนี้มันก็อยู่ในการฆ่าอนุโลมเป็นการฆ่าเหมือนกันนะเอาลงเป็นการฆ่าฉะนั้นการฆ่ากันนี้แนะ่นอนที่สุดก็คือเป็นการสร้างเวรสร้างภายัยสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิตเป็นอย่างมหาศาเพราะคนเราถือว่าชีวิตนั่นถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นสิ่งทีท่ทุกสิ่งที่มีชีวิตหวงแหนที่สุด นั้นทุกคนจึงกลัวตายจึงกลัวตายฉะนั้นการที่ใครมาทํำร้ายร่างกายหรือใครจะคิดมาประหัตประหารตัว น, นั้นแน่นอนที่สุดก็เท่ากับว่าทําลายความสุขของผู้นั้นทั้งหมดและถ้าตนเองป้องกันได้ต่อสู้ได้ก็จะต้องป้องกันเพื่อความอยู่รอดของชีวิตฉะนั้นการฆ่ากันนี้เป็นการทําลายชีวิตนะเป็นการทําลายความสุขประโยชน์ส่วนรวมถ้าเราไปฆ่าพ่อไปฆ่าแม่แน่นอนที่สุดลูกก็เดือดร้อนไปฆ่าพ่ออทั้งเมียทั้งลูกก็เดือดร้อนไปฆ่าเมีย าทั้งพอ่อทั้งลูกก็เดือดร้อนน้พี่น้องก็เดือดร้อนเราไปฆ่าลูกพ่อแม่ก็เดือดร้อนพี่น้องเขาก็เดือดร้อนนี่แหละฉะนั้นจึงบอกว่าการการฆ่ากันนั้นเป็นเหตุนามาซึ่งเวรซึ่งภยัยเราจะต้องไม่ฆ่านะไม่ฆ่ากันเพราะยิ่งไปกว่า น, นั้นในผลแห่งการฆ่าก็จะทําให้เรามีอายุสั้นนะมีอายุสั้นอีกด้วยเพราะการทําลายชีวิตของเขาเนี่ย ม, มาก็คือเราทําลายชีวิตของเราก็คือฉะนั้นการฆ่าเป็นการทํา ให้อายุสัน้นคนที่ไม่ฆ่าสัตว์ก็คือทําให้มีอายุยืนคนที่ไม่เบียดเบียนสัตว์ก็ทําให้มีโรคน้อยคนที่เบียดเบียนสัตว์รังแกสัตว์โทรมันสัตว์ก็จะมีโรคมากนะประการที่สองเราก็ต้องเอไม่ลักนะไม่ลักทรัพย์คือไม่ประพฤติผิดเกี่ยวกับในเรื่องการลักช่อโกงต่างๆตูช่อโกงไอะไเนี่ยคคลกันโชคเนาะอา่าอันนี้ถือว่าอารมณ์อยู่ในการลักทางนั้นเลยลักอืม เพราะว่าสิ่งนี้เจ้าของเขาไม่ได้ให้เราถือเอาอโดยพาักการนะโดยพาักการต้องถือว่าสิ่งที่เขามีนั้นเขาได้มาโดยชอบรรมเขาได้มาด้วยความยากลําบากอได้มาด้วยการอับเหงื่อต่างน้ําฉะนั้นการที่เราได้เป็นลักไปตูช่อโกงเข้ามานั้นเป็นการเอาเปรียดนะเป็นการชุบมือเปิบนะเป็นการเบียดเบียนเขาทําให้เขาต้องทุกเดือดร้อนอ่าจนเขามีงวงมีควายสําหรับไปไถนาเราเป็นลักมาเสียก็ทําให้การงานเขาต้องชะงักนะก้องชะงักไปอ่า เขาเคยเลียงดูมาด้วยความชอบทำแล้วเราก็ไปลักเอามาบางทีรักเอามาแล้วก็เอามาฆ่ากินเสกด้วยนะอันนี้ก็น่าเดือดร้อนมากน ะ, ะก็จะทําให้มีมีเวรมีภัยบางครั้งก็ออกถึงกับมีการยิงกันตายมีการประหัตประหารกันมีการฟ้องร้องกันจนหมดเนื้อหมดตัวไปทั้งสองฝ่ายอันนี้แหละจึงบอกว่าเราจะต้องไม่ลักทรัพย์แปลการที่สามต้องไม่ประพฤติผิดในกรรมคําว่าไม่ประพฤติผิดในกรรมนี้ท่านอาจจะเข้าใจแคบไปะจะบอกว่า การประพติบบผิดในการมนั in ăng, ้นบางคนก็อาจจะเข้าใจเพียงแต่ว่าก็คือการสมสู่กันอย่างเมียอย่างผัวอย่างนั้นหรือสามีภรรยาจริงๆแล้วไม่ใช่อย่างไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวหมายถึงการที่พอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในการสัมผัสอย่างนี้ก็เป็นกรรมคนที่ติดรูปก็เป็นกรรมคนที่ติดในเสียงก็เป็นการมคนที่ติดในกลิ่นก็เป็นการมคนที่ติดในรสก็เป็นกรรมคนที่ติดในการสัมผัสก็เป็นกาม ฉะนั้นสิ่งนี้แหละอท่านพูกฟังทั้งหลายจัดว่าเป็นกรรมทางนั้นนะจัดเป็นกามทางนั้นฉะนั้นขอให้เราทุกคนจงได้พิจารณาว่าคําว่ากามในที่นี้ก็คือว่าไม่ประพฤติผิดประเวณีเกี่ยวกับโรคกับเสียงกับกลิ่นกับรสนะหมายทั้งอย่างนั้นอีกด้วยในการสัมผัสนะต้องอย่างนั้นอีกด้วยเพราะการที่เราประพฤติผิดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสนั้นอันเป็นเหตุนํามาซึ่งการทะเลาะวิวาสเป็นเหตุนํามาซึ่ง การฆ่ากันประหัดประหารกันนะ่ะไม่ดีนะ่ะนี่ก็คือสัมมากรรมมันตักนะ่ะสัมมากรรมมันตักข้อที่สี่ข้อที่ห้าก็คือสัมมาอาชีวะก็คือเลี้ยงชีพชอบนะเลี้ยงชีวิตชอบก็คือเว้นจากความเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ผิดนะสำหรับคาวาะก็ได้แก่การเว้นจากมิจฉาชีพคือการค้าขายในสิ่งที่ไม่ชอบทำเช่นว่า การค้าขายเครื่องประหัตประหารการการค้าขายพวกมนุษย์การค้าขายสัตว์และเนื้อสัตว์ที่ตัวฆ่าเป็นอาหารอค้าขายน้ำเมาค้าขายยาพิษนี่กล่าวตามหลักถ้ากล่าวตามหลักนอกไปจากนี้ก็คือเว้นจากการาหลอกลวงเขาเลี้ยงชีวิตทุกประเภทเช่นทำของเทียมปลอมเงินตราตลอดจนจนถึงการรับของโจรก็เป็นการเว้นจากการประพฤติผิด เ, เหล่านี้ คือเราจะต้องไม่ประพฤติติดตัสิ่งเหล่านี้ไอ้ของเทียมก็ไม่ทําำล่อมเงินก็ไม่เอานะรับของโจรก็ไม่เอาอย่างนี้เนี่ยจัดว่าเป็นสัมมาอาชีวะนะเป็นสัมมาอาชีวะคือเลี้ยงชีพชอบฉะนั้นให้สังเกตดูทุกวันนี้เราจึงมีทุกมี้ทุกนี้ความเดือดร้อนกันมากก็เพราะว่าเรามีการค้าขายเครื่องประหัดประหารกันวันเฉลิมฉลอ ง, ห ร, องหรือวันสําคัญเนี่ยสังเกตดูจะได้ดินเสียงพวกดอกไม่ไฟพวกระเบติต่างๆตรงตา ม, ตา ม, ตามไปหมดเลยอันนี้มัน ก, ก็ก่อให้เกิดความทุกความเดือดร้อนนะ อได้รู้จักคุณหมอคนหนึ่งที่โรงพยาบาลศรีราช์นะเมื่อคราวงานเจ็ดรอยปีแห่งลายเสือไทยที่สุขโขทยัยหมอได้ไปเที่ยวที่นั่นก็ในขณะที่กลาลังโดนตนพรมอยู่นั้นก็มีพวกเด็กๆก็ได้จุดดอกไม้ไฟไปรากฏได้ดอกไม้ไฟนะั้นมันก็มาตกเข้าไปในกางเกงนะเข้ามาตกไปในกางเกงก็ปรากฏว่ามันก็เข้าไปเอระเบิดในที่ขานั้นก็ปรากฏว่าทำให้คุณหมอนั้นต้องขาผุพองนะขาด่างไปเลยนะขาผุพองขาด่างไปเลยเอ่อนะ ก็รู้สึกว่าทําใหเา้เกิดทุกข์เกิดโทษนะอย่างนี้แหละได้ชื่อว่าบอกว่าเราค้าขายในสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์นะคือเครื่องประหัตประหารกันหรือการค้าขายมนุษย์เนี่ยวันนี้หนังสือพิมพ์ก็ลงเห็นว่ามีการค้าขายกันเช่นว่าค้าขายประเวณีไปหาคนมานะหาสาวๆมาตำชันนบทไปหลอกลวงมาเอามากัดขังไม่ยอมขายตัวก็มีการทุบตีมีการซ้อมกันมีการเอาไฟจี่กันมีกา ร, ารเอาไม้ปีดนอนปีดนี่โอ้ยดูแล้วมันน่าสยดสยองมากนะ แล้วก็เป็นยังไงพ่อแม่เขาเดือดร้อนมากพอมีคมแจ้งให้ตำรวจจับเอาอีกแล้วตำรวจก็มาประณีประนอมกันนักข่าวก็เกิดการทะเลาะกับนักข่าวมีการโต้แย้งกันขัดแย้งกันอันนี้แหละมันเป็นปัญหาสําคัญมากนะมันเป็นปัญหาสําคัญฉะนั้นการค้าขายมนุษย์ได้ก็ถือว่าเป็นการ เ, าเลี้ยงชีวิตในทางที่ไม่ชอบนะผิดนะผิดอย่างนี้ไม่ถูกต้องหรือว่าการค้าขายสัตว์ที่ต่างๆที่เราเป็นการคลากพ่อคลากแม่กันหรือว่าการค้าขาย พวกเนื้อสัตว์ต่างๆที่ตัวเองข้ามมาเป็นอาหารหรือขายพวกน้ำเมาขายพวกยาพิษต่างๆอันนี้มันนํามาซึ่งทุกึ่โทษดังนั้นมาสมัยก่อนนี้ไม่เคยมียาพิษไม่ค่อยมียาฆ่าแมลงนะคนไม่ค่อยตายพวกนี้แต่พอมียาพิษยาฆ่าแมลงพวกปุ๋ยต่างๆนี้ปรากฏว่าคนกินยาตายกันมากนะคนกินยาตายกันมากฉะนั้นนี่แหละจึงบอกว่าให้พวกมนุษย์เราเนี่ยสร้างอาวุธนะสร้างอาวุธสร้างพวกยาพิษสร้างระเบิดขึ้นมาก็เพื่อมาฆ่าพวกมนุษย์กันเอง นะมาฆ่าพวกมนุษย์กันเองอันนี้มันก็น่าคิดนะเรียกว่าเราสร้างโลกขึ้นมาแล้วเราก็ทําลายโลกเองเนะี่ท่านลองคิดดูมันสมควรไหมแทนที่เว่าเราจะสร้างอาวุธกันอย่างอื่นช่วยกันสร้างปัญญาวุธช่วยกันสร้างตรรกะวิทยาวุฒนะอาวุธหรือคุณธรรมต่างๆธรรมะวุธเนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์ขึ้นมากฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้หลีกเลี่ยงนะจึงได้เลกเรื่องสอนเพื่อให้คนนั้นรู้จักทุกสอนเพื่อให้ค น, น, นรูเ้เหตุให้เกิดทุกข์พอสอนให้คนนั้น รู้ความดับทุกข์สอนให้คนนั้นหาทางให้ถึงความดับทุกข์นี่อย่างอื่นหลวพ่อโองค์จริงไม่สอนนะเอาทีนี้มาสําหรับในแง่ของบรรญัตชิตบ้างบรรญัตชิตนั้นก็ต้องเว้นจากการสแสวงห า, าสิ่งที่ชาวโลกเขาติเตียนมีโทษทางโลกอา่าหรือว่าการสแสวงหาเป็นปันตินวัชชะคือทางผิดพมะวินัยบัญญัติคือเว้นจากการสแสวงหา ของที่เป็นโลกวัชะได้แก่เว้นจากการสแสวงหาในทางบาปเช่นทําโจรกรรมหลอกลวงเขาให้เขาเชื่อถือหรือในทางที่โลกเขาบูมินเช่นแสดงข้อความนี้ไว้ในบาลียกตัวอย่างพิสูจอวดอุตริมนุษยธรรมโดยตรงหรือโดยอ้อมอาจจะชักซื้อให้ในระหว่างชายกับหญิงเพราะเป็นเหตุการณ์เลี้ยงชีพเว้นจากการสแสวงหาเป็นปันนติวัชะนั้นก็ได้แก่การเว้นจากการสแสวงหาในทางที่ผิดในทางที่ผิดจากการสแสวงหาในทางผิดธรรมเนียม ของพิสุท่านแสดงความข้อนี้ไว้ในบาลีด้วยการทำวิญญัตคือออกปากขอของต่อคนที่ไม่ควรขอนะแสดงความลาบนะแสดงแสวงหาลาบด้วยลาบคือหาในเชิงให้ของน้อยหมายเอาของตอบแทนมากนะให้รูป้ปยะในแก่การลงทุนหาผลประโยชน์เช่นทําการค้าขายเป็นตัวอย่างหากินในทางทางวิจารณ์ในการรักษาหรือการทําบริษัทได้แก่การทํา น้ำมูกตะมนทำมีการเศษเป่านะหมอดูหมอดาวหมอดวงต่างๆนานาะฉะนั้นการที่เราเว้นจากการกระพุ้งสิ่งเหล่านี้ชื่อว่าสัมมาอาชีพนะสัมมาอาชีวะมาแปลการที่6กก็คือสัมมาวายามะก็คือเพียรชอบนะคำว่าเพียรชอบในคร น, นี้ก็คือหมายถึงความขยันนะความแ ก, าก้ากล้าความองอาจก็คือเพียรอยู่ในลักษณะสี่ประการอ่านะก็คือ สังวรประทานเพียรระวังไม่บาปเกิดข yeah. şey да)> ึ้นในจิตใจระวังไม่บาปเกิดขึ้นในจิตใจความชั่วความโลภความกดความหลงพยายามป้องกันอย่ให้มันเกิดขึ้นความอิจฉาเสียใอย่าให้มันเกิดขึ้นอย่างนี้เรียกว่าเราเพียรระวังข้อที่สองก็คือประหารประธานเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วในจิตใจจิตวิจัยของเราเป็นคนมีความโลภความกดความหลงเป็นคนมีราคะตัณหามีทิฏฐิมีมนะนะ หรือเป็นคนแข็งกระด้างอันนี้ก็พยายามละให้มันหมดไปนะละให้มันไปค่อยๆขัดเกลื่อนทีละเล็กละน้อยนะคนเห็นแก่ตัวก็คือด้วยการอาไม่เห็นแก่ตัวก็คือเป็นการให้ทานบริจาคอันนี้ก็จะทําลายความโลภความตรหนีดได้นะส่วนคนที่มีโทสะเป็นอารมณ์ในความโกรธง่ายนะฉุนเฉียวง่ายก็ต้องรักษาศีลแล้วก็มีเมตตามากๆนะแล้วก็คนที่ เป็นคนโง่ไม่ค่อยรู้ดีรู้ชั่วเป็นคนอากตัญยูมีความแข็งกระด้างถือดีก็ต้องเจริญภาวนาคือการอบรมบทนิสัยทำสมาธิหรือว่าเจริญสมถาวิปัสนาหรือว่าเรียนให้มากๆฟังมากๆากอ่กอากให้เป็นผู้สูดเป็นคนฉลาดได้ประการที่สามก็คือภาวนาประทานเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วในจิตใจของเราก็คือเปลี่ยน เพียรขอประทานโทษภาวนาประทานก็คือเพียรสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นในจิตใจก็คือเช่นเป็นการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอันนี้แหละเราจะสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นในจิตใจสร้างคุณงามความดีอเช่นว่าเป็นคนมีเมตตานะเป็นคนมีเมตตาอบอุ่ออารีเป็นคนอ่อนน้อมท่อมตนเป็นคนไม่เป็นคนอันพานอย่างนี้แหละจะได้ชื่อว่าเราเป็นคนดีก็เท่ากับว่าเราเพียร สร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นในจิตใจแล้วก็อนุรักษนาประธานก็คือรักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นรักษาคุณงามความดีที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรานั้นอยาให้หมดไปยาให้เสื่อมไปนี่ก็เราเพียนอย่างนี้ได้ชื่อว่าเรามีสัมมาวายามะก็คือเพียนชอบนะหลักการที่เจ็ดก็คือสัมมาสติระลึกชอบก็คือให้ระลึกในสติปัฏฐานสี่ คำว่ารลึสติในประธานสี่ก็คือมีสติกำหนดพิจารณากายนะเป็นอารมณ์ว่ากายนี้ก็สักด์แต่ว่ากายไม่ใช่ศัตว์บุคคลตัวตนเราเขานะตัวตนเราเขาอย่างนี้เรียกว่ า, u, ากายยานุปัสสนาสติปัฏฐานาข้อที่สองมีสติกำหนดพิจารณาเวทนาในเวทนาคือสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอารมณ์ว่าเวทนาก็สักด์แต่ว่าเวทนาไม่ใช่ศักดิ์บุคคลตัวตนเราเขาเราพิจารณาอย่างนี้ก็จะได้ชื่อว่ า, เ, าเรานั้นอ วางใจเป็นกลางนะวางใจเป็นกลางคือไม่หลงไม่ยึดมัน่นไม่ไม่ทาให้เป็นบ่อกเกิดแห่งตัณหามานณทิเตหรืออุปาทานรเรียกว่าอเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานาแล้วก็ให้เรามีสติกำหนดพิจารณาจิตใจที่เศร้าหมองหรือว่าผอ่องแผ้วเป็นอารมณ์ว่าใจก็สักแต่ว่าใจไม่จะสัตบุคคลตัวตนเราเขานพิจารณาอย่างนี้ได้ชื่อว่าจิตานุปัสนาสติปัฏฐานา แล้วก็ที่สี่ให้เรามีสติกำหนดพิจารณารมที่เป็นกุศลนะกุศลที่เกิดขึ้นกับใจเป็นอารมณ์ว่าทำนี้ก็สักแต่ว่าทำไม่จะสั บ, บุคลตัวตนเราเขาอย่างนี้เรียกว่าธรรมานุ ป, ปัสสนาสติปัฏฐานาอย่างนี้ได้ชื่อว่าเราจะเรียนสติปัฏฐานก็คือมีสติเป็นที่ตั้งเป็นประธานเรียกว่าสัมมาสติคือระลึกชอบในข้อสุดท้ายที่บอกว่าสัมมาสมาธิ อคำว่าสัมมาสมาทิฏก็คือการตั้งใจมั่นชอบอการตั้งใจมั่นชอบก็คือการเจริญด้วยฌานทั้งสี่หมายถึงว่าอตามที่นิยมกันมากในพระพุทธศาสนาก็เรียกว่ารูปฌานเรียกว่ารูปฌานเพราะว่ามีรูปทำอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นอารมณ์เรียกตามลักษณะปุรณะสังกยาก็คือเรียกว่าฌานที่หนึ่งปฐมฌานทุติยฌานตัตยฌานยาตุจฌา น, าน อ, อันนี้เป็นลักษณะของฌาน พระธง ม, มาชานก็มีองค์5ก็คือแต่ยังมีอวิตกยังมีวิจารณ์ยังมีวิตกวิจารอยู่ยังมีปิติมีสุขมีเอก ค, าคาตานี่ไปในทรรนองอย่างนี้เป็นต้นาการเราได้จเจริญชามอย่างนี้แน่นอนที่สุดก็จะทํำจิตใจของเรานนั้นให้สงบระงับอยากไม่วรรณะปกิเลสได้จนถึงที่สุดก็คือว่าเป็นบ่เกิดแห่งสติปัญญาตัดกิเลสตายคลากิเลสจริงเห็นจริงคกิดความไม่มีตัวไม่มีตน เอาล้าเกี่ยวกับเรื่องการได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องมรรคแดมาก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยฉะนั้นสรุปสั้นๆก็คือว่าทางที่จะไปนิพพานได้นั้นก็ขอให้เราได้เจริญในทางสายกลางก็คือมรรคแนะมรรคแก็คือตั้งแต่สัมมาทิฏฐินะดำริชอบอสัมมาทิฏฐิคือเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดําริชอบสัมมาวาจาเจราจาชอบสัมมากรรมมันตาการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะพยายามชอบ สั ม, มาสติเอื้เลึกชอบสัา ม, มาสมาธิตั้งใจมันชอบเราก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญอยู่อย่างเดียวจะไม่มีความเสื่อมเลยในที่สุดแห่งการบรรยายเรื่องมรรคแปดมาก็พอสมควรกับเวลาขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีขอเจริญพร